สัมภเวสีที่บ้านยาสัมผัสสยองเมื่อตอนที่ผมยังเด็กอายุประมาณหนึ่งสองขวบได้แปรสัยอยู่ที่บ้านของปู่ที่กำแพงเพชรเพราะว่าป้าของผม ท่านไม่มีลูกท่านจึงขอผมไปเลี้ยงเพื่อที่จะได้มีลูกอิจฉามาเกิดแล้วความเชื่อนั้นก็ได้ผลจริงๆป้าตั้งท้องและคลอดลูกสาวชื่อจุย๋ยเราสองคนพี่น้องเติบโตมาด้วยกันในบ้านหลังนั้นพวกเราสุขสนมากปู่จึงใช้วิธีเอาหนังยางมาดีดพวกเราให้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยเสียบ้างจนพวกเรากลัวไม่กล้าสนต่อหน้าปู่ คืนหนึ่งปู่ผมก็จากไปได้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันที่ท่านเสียผมก็นอนอยู่กับท่านเลือจจดจากแผลของท่านไหลมาโดนแขนของผมภาพที่เห็นในตอนนั้นยังคงติดอยู่ในความทรงจําของผมมาโดยตลอดเมื่อท่านเสียคนในบ้านที่กําแพงเพชรจึงนําร่างของท่านไปทําพิธีที่วัดหลังจากเสร็จพิธีไม่นาน ย่าของผมก็ตัดสินใจรื้อบ้านแล้วขายที่ตรงนั้นเพื่อย้ายไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งบ้านหลังใหม่ที่่าไปสร้างนั้นล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาท่านสร้างเป็นบ้านไม้สองชั้นด้วยไม้ที่ได้จากบ้านหลังเก่าห่างจากบ้านญาไปไม่มากนักก็จะเป็นบ้านของป้าที่กําลังก่อสร้างอยู่ผมกับน้องสาว เราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านยาด้วยวันหนึ่งผมและจุ๋ยก็เล่นสนุกตามประษาเด็กๆ เ, เราเดินเที่ยวไปร อ, รอบบ้านก็เห็นต้นตะขบต้นใหญ่มากขึ้นอยู่ข้างบ้านของยาเมื่อผมมองดูก็เห็นต้นตะขบมีลูกอยู่เต็มต้นเลยอาสาปีนไปเก็บลูกตะขบให้น้องสาวพอผมปีนขึ้นไปก็เห็นบริเวณรอบบ้านได้อย่างถนัดตา พวกเราสารวนกับการเก็บลูกตะขบกันอย่างสนุกสนานจนเวลาล่วงเลยไปถึงเย็นจึงเดินกลับโคลบานเห็นป้ากำลังทำกับข้าวอยู่แต่ผมไม่เห็นยาจึงถามป้าว่ายาไปไหนป้าบอกว่ายาไปทุลาในตัวเมืองกับอาเมื่อป้าทำอาหารเสร็จก็นาไม้ผมและจุ๋ยทาน หลังจากที่พวกเรากินอิ่มกันแล้วก็ไปนั่งดูทีวีกันที่ชั้นล่างของบ้านยา่าตอนนั้นดูละครเรื่องกระสือทางช่องเจ็ดป้าของผมก็นอนกอดลูกสาวที่เตียงไม้ใกล้ๆกับทีวีโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบเอาขาออกนอกหน้าต่างชั้นล่างมากเพราะลมข้างนอกตัวบ้านเย็นสบายดีพวกเราดูละครกันจนถึงเวลาสี่ทุ่มกว่า จุ๋ยก็หลับไปแล้วป้าจึงลุกเดินไปห้องครัวส่วนผมนอนดูทีวีต่อไปเรื่อยเปื่อยขณะที่ป้ากำลังเดินกลับจากห้องครัวเสียงคนเดินบนชั้นสองก็ดังขึ้นตอนนั้นผมกับป้าได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ป้าไม่พูดอะไร กลับมานั่งดูทีวีต่อรอย่ากับอากลับมาผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอย่าเหมือนกันคิดว่าย่าจะซื้อขนมมาให้กินลาวเสียงฟีท้าวบนชั้นสองก็ดังขึ้นอีเป็นเสียงคนเดินลาวมาหยุดอยู่ที่ทางลงบันไดชั้นล่างพอผมกับป้ามองไปที่บันไดเพื่อรอว่าจะมีอะไรลงมาแต่ก็ไม่มี ป้าสงสัยว่าจะมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าจึงเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดปลายแหลมออกมาแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นสองโดยมีผมตามหลังป้าไปติดๆเมื่อพวกเราสองคนเดินขึ้นไปถึงชั้นบนป้าค่อยๆเดินไปเปิดไฟตรงมุมเสาแต่เปิดไม่ติดจึงบอกให้ผมลงแบวไฟชายที่ชั้นล่าง ผมก็เดินลงไปหยิบไฟฉายตรงหน้าทีวีแล้วรีบขึ้นไปหาป้าทันทีป้ารับไฟฉายจากผมไปแล้วก็ส่องไปรอบๆชั้นบนนั้นแต่ก็ไม่พบอะไรจึงหันหลังกลับเพื่อจะลงไปชั้นล่างขณะที่ผมกับป้ากำลังจะ ก, ก้าวลงบันไดเสียงประตูห้องนอนของอาก็เปิดออก ป้าหันกลับไปส่องไฟที่หน้าห้องของอาในทันทีแต่ก็ไม่พบอะไรเลยไม่มีแม้แต่ความเคลื่อนไหวทุวกอย่างมันนิ่งและเงียบสงดป้าจึงเดินไปเปิดประตูแล้วส่องไฟสำรวจในห้องอาแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอีกจึงปิดประตูห้องของอาด้วยความสงสัยแล้วพวกเราก็เดินลงบันได ทันใดนั้นเสียงประตูของห้องอาก็เปิดออกอีกครั้งป้าหันกลับไปเอาไฟฉายส่องไปตรงประตูของห้องอาแล้วภาพที่เห็นหยุดตรงนั้นทำให้ผมกับป้าถึงกับวิ่งหน้าตั้งลงมาเพราะขณะที่ป้าฉายไฟไปที่ประตูห้องของอานั้นผมและป้า เห็น <daughter> <h astes S 1> คนจะโงกหัวออกมาแต่เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็หายไปเมื่อป้าลงมาถึงข้างล่างก็วิ่งตรงไปอุ้มจุ๋ยที่กำลังหลับอยู่แล้วพวกเราสามคนก็เข้าไปแอ บ, บอยู่ในห้องเก็บเสื้อผ้าคิดว่าต้องมีคนอยู่ในบ้านแน่ๆพวกเราแอ บ, บอยู่สักพักเสียงประตูห้องของอาก็เปิดออกแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินกระทืบเท้า วนไปวนมาบนชั้นสองจากนั้นเสียงประตูที่จะลงมาชั้นล่างก็เปิดออกพร้อมกับเสียงคนเดินลงมาผมกับป้าล็อกห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วนิ่งเงียบที่สุดคอยฟังว่าข้างนอกจะมีความเคลื่อนไหวอะไรแต่เสียงคนเดินนั้นก็เงียบไปป้าอุ้มจุ๋ยที่กาลังหลับอยู่วางไว้ในตู้เก็บเสื้อผ้า แล้วบอกผมว่าถ้าเป็นโจรก็ต้องสู้กับมันจากนั้นป้าก็เปิดประตูแล้วเดิอนออกไปเตรียมพร้อมที่จะประท่ากับผู้บุกรุกเต็มที่แต่ก็ไม่พบใครเลยตอนนั้นป้าคิดว่าโจรคงกลับขึ้นไปข้างบนแล้วจึงคิดจะตามขึ้นไปก่อนที่ป้ากับผมกําลังจะขึ้นบันไดที่บันไดาสามขั้นแรกจะทาจากปูน พอขึ้นไปเลี้ยวหักไปดังขวาจะเป็นบันไดไม้ขึ้นไปจนถึงชั้นบนซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปตัวแอลผมกับป้าเห็นเท้าของคนอยู่บันไดไม้คั้นแรกพวกเราตกใจมากป้าบอกให้ผมวิ่งออกจากบ้านส่วนป้าก็วิ่งไปอุ้มจุ๋ยออกจากตูเสื้อผ้าแล้วตามออกไปเช่นกันพวกเราออกไปนั่งรอยญ้ากับอา ที่ทางเดินเข้าบ้านในขณะเดียวกันนั้นผมก็ลองหันหน้าไปมองที่บ้านของยา่าแล้วผมก็เห็นเงาคนยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองเงานั้นมันเป็นเงาของผู้ชายที่กําลังมองมาทั้งผมกับป้าผมเรียกให้ป้าดูแต่ป้าไม่ยอมหันไปมองพวกเรานั่งรอไปสักพักใหญ่อาละยาก็กลับมา อาขับรถมาจอดที่ทางเข้าบ้านเพราะอามาถึงก็นึกสงสัยจึงถามป้าว่าทำไมเอาหลานออกมานอกบ้านป้าเลยบอกว่ามีใครไม่รู้อยู่ในบ้านเมื่ออาเอารถไปจอดเสร็จเรียบร้อยพวกเราทั้งหมดก็เดินเข้าไปในบ้านอาหยิบมีดยาวที่วางไว้ข้างบ้านติดมือมาด้วยแล้วก็เดินขึ้นไปตรวจชั้นบนของบ้านเพื่อหาคนที่ป้าบอก ส่วนพวกเราที่เหลือรออย่างใจจดใจจ่ออยู่ข้างล่างมีเพียงแต่จุ๋ยเท่านั้นที่หลับสนิทไม่รับรู้เรื่องราวอะไรเลยพออาขึ้นไปได้สักพักจูจๆอาก็ร้องโวยวายขึ้นและรีบวิ่งลงมาญ้าและป่าเปิดประตูรออาไว้แล้วเพื่อว่าถ้าอาจะต้องหนีจะได้ออกมาทันอาวิ่งหน้าตาตื่นลงมาที่ชั้นล่าง ยาก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาบอกด้วยสีหน้าที่ตกใจว่าตอนที่เดินขึ้นไปนั้นไฟบนชั้นสองไม่ติดจึงเอาไฟฉายส่องก็ไม่เห็นใครเมื่อเปิดเข้าห้องไปดูก็ไม่เจออะไรอีกขณะที่อากำลังจะเดินลงมานั้นประตูระเบียงด้านหลังบ้านก็เปิดออกอาจึงเดินไปดูเมื่อส่องไฟฉายไป ก็เห็นเงาดำของคนตัวใหญ่มากนั่งอยู่ที่มุมระเบียงแล้วเงาดำนั้นก็พุ่งตรงมาหาอาอาตกใจมากจึงวิ่งลงมาอย่างที่เห็นเพราะพวกเราได้ฟังดังนั้นก็ทาให้ยาและป้าพะว้าไปตามๆกันคืนนั้นไม่มีใครนอนหลับได้เลยยกเว้นจุ๋ยและผมที่หลับไปเพราะง่วงมาก ตอนเช้าผมตื่นขึ้นพอได้ยินเสียงรถของอากำลังเตรียมจะขับออกไปข้างนอกผมจึงวิ่งเข้าไปหายาเพื่อที่จะขอไปด้วยยาก็ให้ผมขึ้นรถแล้วพาไปวัดเพื่อนิมนต์พระมาทำพิธีขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับตั้งสารเจ้าที่ด้วยหลังจากนั้นที่บ้านของยาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกเลย เมื่อผมขึ้นป .4 ก็กลับมาอยู่ที่นครสวรรค์และไม่ได้กลับไปที่บ้านย่าอีกจนกระทั่งจบปริญญาตีจึงได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวบ้านย่าอีกครั้งได้เจอยา่าป้าและจุย๋ยผู้ที่นอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยในคืนนั้นส่วนอาท่านเสียไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาศาลเจ้าก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิม อาจจะมองดูเก่าบ้างตามกาลเวลาแต่เมื่อมองไปทีไรมันก็ทำให้ผมนึกถึงคืนนั้นแล้วขนลุกขึ้นทุกที สมภัทสีย